โ้องห้องโ้องโ้องโ่โฮ่งโฮ่งโฮ่มช่รยเลยนะหลวงพ่อขรบการปูโลุใจแล้วเินจบท่าท่านจะได้ฟราหางมัดหลวงพ่อไปแล้วไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดลื่นทางหัวท่านก็ไม่เหตุนทางท้ายั่านก็ไม่เกตุ กนี่นี่นี่เจ้าซ่งเพราะว่าเอาข้าวรถมาให้ฉันนี่นี่นี่เขเรียกว่ายาลจรินอะไรนะอะไรนะเขารลยๆเนาะเพราะว่าไปฮไปไอ้ที่สงใจก็คือว่าเดี๋ยวาจะหาพ่าละครเขาตัวสินเขอจีดซ้อมแต่ขาดมาเลยลูกก็แค่ไส หนึ่งหนึ่งไร้ลูกค้าที่ึ้ลูกก็เก็บไปสอมาถวายหลวงพ่อเป็นประจาไม่ทราบมาหลวงพ่อจะขัดข้อหรือเปล่าพอถาสงไข่ข้อมันเมียกันให้ไม่นีบอกไปหลายวันแล้วยงเอาขุ้้เส้รอยยงเอาจริงนะ เราเราไม่เษษจตนาโกงอะไรเขามาเก็ซึ่งมาเลยเราลงก่อนไม่เป็นไรนะครับพ่อไม่เป็นไรเขาไม่มเก็ตที่กองเขาเราสังใจให้เันะนะเรอไปหมอเนี้เราเษษย็นได้แต่ดูรัก้าไปหายนี่หลวงพอ่อตัวแนะนำเวลานวดไปหาเจ้าลูกนักก็ไปหาหมอไปนะหลวงพ่อไม่มีวิทยายทุททางนี้ไม่ได้ครามฐานนะ เพราะว่าถ้าต้องการหายเลยมาได้นะมีทีไม่ากทานแน่งวัดรทองนี่ใส่เข้าเมแล้วเข้าเมลดยหมายความว่าโมันาเข้ามล็หายหมดรมีใจร่างกายถ้าร่างกายไม่มีก็ไม่มีโรคความหิวจะเกิดขึ้นได้เพราะร่างกายร่างกายไม่มีก็ไม่หิวร่างกายไม่มีก็ไม่ป่วย ท่ า, า, ากกนก็กายหายหมดก็ทํางองไปเรื่องร่กาต้องแต่งาตงานกันก็มีร่างกายใช่ไหมใช่ถอที่เราไม่ เ, าเาามา่างแต่งงานร่างกายไม่เอาแล้วเบินกายเฮไม่ใานแาายที่มีร่างกายาสายก็จะเ้องมีโลกดราชีิด่หนดูดิ เจ้าผ uh, yeah. mm ู hmm. yeah. ้รู้ขอร้องจงสกจะจะทราบไอ้สมสิทธิ์แต่จินตัวโง่หว่าวิธีที่จะไปฏิบัติเลยได้รันั้นจะเหมือนกันหรือไม่ให้ฉินลงท้ายหมกนะปฏิบัติไปแล้วจะได้อานิสงส์กันเหมือนกันหรือ่ากการอย่างไรขอม่ตาหลวงพ่อแนะนเป็นไปต้นตัวอย่างด้เถิดจงมาศีลนสุขติญจันติรักษาศีลแล้วไปสวรรค์ ทีเลยนะโพสมัชฌารักาสาธิตแล้วเกิดเกิดใหม่โดยมากชีเลย น, นั้นที่ต้ไม่ต้อิงยันติถ้กสาธิตแล้วปฏิภานไดง่าย<อ>แต่ว่ารักษาศิลห้าสู้รักษาศิลแปไม่ได้ไปเร็วกว่าพุทิสินห์รมจันร์แปลวัสก็ไอแปงปกติไหนคือคือกันเดียวกวัแอ๋ออ๋ออ๋อโอยก่ข้อดียังไสีเลยนโกับสัายใช่ใช่ รักษาสิ่เกิดชาติใหม่รวยมากอ่าไม่นในช่แค่นี้รวยเหรอชนนกชาตินี่ก็รวยรวยน้อยแล้วครัี่นีสบายใจหน่อยก็เป็นอันว่าเรื่องสิ่ น, นะไม่มีปัญหารักษาพระนรกรรมหลวงพ่อที่สรุกจากสูงโลกรักเคารพนับถือบูชาหลวงพ่อยังเป็หัวใจ เพราะความดี <c oughs> ทนกอย่างชาติปฏิบัติทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้ก็มาลงมาเย็ดทีก็ได้เลยไปจากซอยแสลงมีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งลกพยายามสวดีธิษฐานหลวงพ่อเป็นประจำทุกๆคืนแต่มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะโดยมากจะสวดใต้กบเพื่อขึ้นอีกครึ่สงสกครึ่ง น, นั่งลูกต้องจำเป็นจะต้องไปปวดรถรดม พอจะได้เต็มแม่วได้เียวอ้าวดีอ้าวียั่ปฏิบัติึงก็เร่มตังนั่งนอนนอนมก็ไปไปเคร่งเคร่องดีมากดีมากเลยไปนั้นว่าก็ได้ได้สองอย่างสออย่างเขาแบบฉันเปนนับาตเดินสมัยนั้นเวลาเดินมปนนบาตก็คือจิตสเฮยเวยจ้าบาเลยบางเลยเขา่าไปบ้างอะไรสมเด็รนา็บาต ใช่ใช่ยันไปจำทั้งไปทั้งมานะเ้าผมเปิดมไม่รู้เรื่องเลยว่าโอ้สอนว่าต้องไปอยู่ในท้องแม่ไม่จำไม่ได้ยินยังไงอยู่ในท้องแกจะิยังไงเาข้าไปสอนในท้องนั่นดิใช่ ก็เป oh oh. ่ายก็แพ <ulation> ้ร <purposely Hi> <le> ูดในท้อ <disappointing> ยิ่ติดได้นี่โอ้ถาไปใน้องจะต่อไม่ได้ใช่ใช่นี่มีวันเดียวที่สบไม่ต้องใช่อะไรไปมีอะไรนะพอพ่อเอ่อคือว่าคู่มันต่างเลยพอพอก็เขียนกู เราแนีเยี่ยมเลยเงินเราสี่ตวเขเองอารมณ์และใจความไม่ได้บ้างเพราะผู้บ้านน้องสาวเพราะเพระผมนักเรียนในแพทย์คุณเกิดจางสินสละคุณนี่ก็สวัติดีไม่ได้ไฟท้ออ๋อไฟท้ดตายแล้วหบบสบายดีสบาดีไม่ถามก็คือไม่ถามที่จะถามว่าการทำคุณทำกุศลคุ้เป็ให้คนไฟท้อตายตามว่าภาพจริง ใช่ถึงเร็วใช่ไหมไอ้ี่ต้าวไปชดเจ้าส่งซะไส่งคนไเลยรอนะไอ้ไผเรื่เร็วเลยนอมูลแบบธรรมดานี่แหละกอั่างงที่ใช่ใ่ให้เขาโผล่ไปในแทบเดือตายนะ ก็จริงเราจะตายเราไปหาหมอนะกันความตายใ่แพทย์ตายไม่เองตายไดก่อนนะ<อ>แม้พอไปในอยายุพวกนตายไม่ดีจะเป็นไม่ตายหรือเปล่านอ้อคนเป็นแค่เป็นคนที่าเภยในบ้านจะมีเโอ้คนที ي, ่มีครอบมากใช่ต้องไปแสดงข้อที่ว่าท่าซุ่มโอ้เป็นเก็ใครใครเขาผ่านยี่ห้าอจางนั้นนะไม่ตายก็แย่เนี่ย เพิ่ยี่ใช่ก็ไม่ได้จะเป็นยใช่ใช่ใก็เลยเชื่อให้หมอโดยสงเด็จเป็นประเภทที่มันไม่จะแฝงนะตายเขาป็นแทย์สำเร็จประเภทเขาไม่ตายนะไม่เกี่ยวนะอย่าตกใจนะทหารก็ควรจะตายยี่ห้าเราบอกยี่สิบหกแล้จัเออเอาี้ที่เกือเกือบี่หกแล้วจัมันจะได้คนเยนะใช่ใช่ไม่อร่ยไม่เอาี้ตต่า อาพระท้าวมามัตสานพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่รถจั่นสูงโลกกัติวันาระเวลาหลวงพ่อไม่มาคอยสายลงลูกมักจาไปสวดมนต์ไหว้พระและจะนั่งสมาธิเจริญพระธรรมทานที่วัดแก้วอยู่เป็นประจำแต่ในขณะที่หลับตายอยู่นั้นปรากฏว่าอารมณ์สบายได้เห็นดวงไฟแสงสว่างเป็ย่างมากรวมหนึ่งมารอยอยู่ตรงหน้าตลอดทุกทุกครั้ง อาการในลักษณะอย่างนี้ลูกไม่เข้าใจก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่านั่นเป็นยี่นิอะไรควรจะรักษาในนี้ต่อไปหรือจะไล่ยีนิสออกขอหลวงพ่อในเมตตาหองพอรูปเจ้าทานั่นเป็นพุทธรัทธนะใช่ใช่นีใหญ่นะคเนเยุ่นะเป็นเลยครเป็นยี่สิบบาทยี่สิทัวสีแสงอะไรกรมๆอะไรใช่ใช่ใช่ วเวลานั้นจิตเป็นอุปจาระสมาธิจิตเริ่มเป็นทิพย์ถ้าเป็น<า>ทิพย์มา ก, กเห็นสว่างมากถ้าทิพน้อยก็สว่างน้อยดีแล้วทัน เ, เลยอเห็น้องเปไม่งจานใ ช, ใช่ใช่ใช่นั้นที่เห็นนี่รวมอ๋อาจากดีย่ไฟเดี่จากดีน่ามสมบัติมาทำนี่ีจริงก็คือขบวนประัษ อะไร่การเรียนหลวงข้อที่เรพอย่างสูงปุคืนปุกคืนที่ลูกเข้านอนลูกจะนอนภาวนาพุทโธไปดนหลับเมื่อตื่นกลางนึ่งก็จะภาวนาต่อไปแต่พอเออตอนนั้นลูกจะเห็นคนมานอนข้างกับลูกอยู่เสมอ มีผิวกลายเป็นสีเหลือมอลางไปทั้งตัวแม้จะไปนอนหลับ ง, งี่ที่ทำงานก็จะเห็นคนคนนี้ไปนอนกล้เพียงงี่ไม่เพียงด้วยลูกไม่เข้าใจและก็สงสัยเสมอ เป็นพรหมเป็นพรหมเป็นพมรใช่ถ้าพรมันเป็นสีทองเทวดามทชาติาะสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเทวดาสีธเทวดาควจะดุรุ่งดุรุ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่าต่าฮาฮ่าฮาฮ่่าา่าา่า่า่ จะตื่นมาเป็นร่างสีแก้วแล้วีขาไปลุกอ้าีไปจะหนีอะไรหนีสีเป็สื้ดน ไม่มีโทษหรอกไม่มีอะไรไปเป็น โ, โทษเรียกว่าเราหวพ่อเข้าฝ่ายใครรับลองโทษไปหนีไม่มีโทษมีแต่คุณอย่างน้อยที่สุดก็ไปวัดให้จังบ้างคนเมาขึ้นไปที่ทัแพแก่นนะเขาบอมาชัแล้วช่แล้ว ก, ก็คนม่สจะดังหลายๆพ า, า, า, ายก็เข้ถึงฐานทำไมไปชัแล้วไปที่บ้านไปบอกให้มาที่วัดตึงต้องมีนักแต่ทีค่ะ <laughs> <c oughs> ไม่ต้อไปตามาม่ที่บ้านเลยแตนีเมตาตอกขนาดนั่นแล้วก็อยากได้อย่อยากใส่นี่แล้วก็บายใจแนะเราฝันเห็นก้อแล้วก็ก้อไปอนี้ยังเล่นนะก่อนจะนอนอธิษฐานเลยนะมาตอนไหนเขาก็ด่าแต่งอขาาวนะนี่จงวางไว้ก่อน มันจะไม่มาอีกเพราะาวยไม่มาแม่เป็นลาื่นั้นจิตเขาเป็นชานนะฮวนาจนหลับจะลืมเลคนนี้เก่งมากพอติดตุ้งาแลหลับไปนั่นแล้วก็หลับไปเวลาทํามาก็เห็นชัดโพติท่าจะมาอยู่เสมอเวลาลืมตาจิตไม่เป็นสมาธิอย่างนั้นจิตที่จะหน้ามือใหม่เรียกว่าก้าวยายเก้าเหรอก้าย้ายข้ามม คดี๋ยวนี้พารสาวรุ่นพ่อปดเนแีแล้วแล้วรพอจะไปบ้านไหนก่อนบ้านไหนที่อ้าไหนเรื่องเล็กเล็กเมื่อก่อนย่องไปเป็นบ้านบ้านเอ็น้อยน่ะไปเยี่ยมบ้านอน้นไปเยี่ยมวันนี้ไปถึงครอครอคทีหลายบ้านมีบ้านหนึ่งตามันดีพอโผลก็ปั๊บมันเห็นเลยตูงช้ามตามยันวัด หามหลวพ่อไปทำไมเม่อคืนเนี่ยบอกกูไปเข้าหามึองอลวงพ่อต่อเวลาคาาใช่ใช่ใช่แต่ก็หาได้ไหมใครอยากกรู้มึงหลับหรือไม่หลับโอ้โหเด็กไทยไปทำอะไรที่รักที่ตอนีเลยที่รักก็อะไรลวกพ่อตอนนั้นโรคสิษยยังน้อยนะโอ้ต่นนี้โูคสิษย์มากๆทางในใช่ไหม ข, ไขึ้นไปบนบ้านพระพุทธเจา้าจะบอกว่าถ้าคุณถึงทำแบบนี้ต่อไปโรคศิษเป็นพันเป็นหมื่น ทำไมไ่ไหวหรอกเวลานั้นศิษย์มีประมาณยี่สิบคนจก็เลยบอกว่าให้ขึ้นไปอยู่ที่บ้านแล้วแต่งแสงลงมาวก็ทบานใหม่ที่วิานใช่ใช่อย่า ง, งนั้นนะว่าผู้คนใดเวลานั้นจิตก็ุจารสมาธิจะเห็นทันทีทุกคนเหมือนกันแ ต, นต่ต่างคนต่างพูดโดยต่างชอบใจและก็รู้เดียวกันใช่ไม่ไม่จําเป็นต้องเรื่องเดียวกันผู้ใดเวลาเียกแต่ใช่ใช่ใ นี่คะแน่ <S qui> ดำนะแต่งั้นก็าวิ่งตายตอนนี้ที่ิคนกันื่ยเลยขึ้นคอแล้วเดือนนั้ยังไม่จบเลยหลักสมแสนในไทยไงโลพ่อจะพายต่อรอยหลักสามพุ่มไปแล้วนะทำไมตอาุ่มมันมีที่าอะไรสคัญกว่า่เอางี้ดีกว่าตอนดีสองหลักต่อหนึงชวนหน่อยตัวหลอดไฟัวไฟหลอดน รอบรอบอคไรก็กำตาอะไรก็ทำตลอดไปแค่นั้นเลยนยาไม่ยามาต่อไปหมอต่อไปบอกณามาถ้าเราก็อยู่รอบจัสูงหรือว่าไอ้ที่คุณหมอก็าทายลูกอะหมอก็อะไรให้มงมพักมงมวาตเพราะพระเอามงค์เข้าพระเอามีแต่ในธรรมดานะลูกไม่เชื่อเลยแต่ลูกก็ไม่สบายใจ เพราะว่าสงสัยง ม, มันมีอะไรปแปลกๆที่ทำให้สูกเกิดร้อนลกเลยตัดสินใจทำตามแนวของลูกพ่อ 1. ให้ ท, ทาน่องทำบุญ 3. ามักษาศีลห้าสภาวานาทุโทกโดยิตลอดหกแต้ตอนจะหลับคอนิษฐานใถุงขังหลวงพ่อจะฝาเทวดาข้าวองคกจะมาโหลูกกล่านเ้าครับ ใมาโหก็ขอลวพอวยยันวยช่กนไ่แค่้าวอง์ันองค์เดียวนะสมกสาวอะไอย่างนี้ดีที่สุดเลยนะแบเนี้ดีมากไม่สำคัญอยอื่นแถมหน่อยที่แถมปลอยปลาปล้อยปลาปล่ยปูนะหน่อยสมัยนะนี่ก็ มา้่ว้นะนี้เสียสันงพ่อถา้ายันยิ้ไทยยโสตามมีอนุภาพากำลังใช่หรือไม่จบ้ะถ้ายันคือนี่นะถ้าใครมีไว้นะถ้าคนเดินมาแล้วหลบึาเข้าสาเจ๊ไม่เห็นตัวโอ้ผาไม่แน่เลยใช่ใช่รมาฝาไใ้ม่งั้นจะหลบผู้สไปไม่เห็นตัว เเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต่ออย่างนี้คือว่ารูกเป็นแมนน่ทัพเชื่อมตันหนึ่งเอาให้เอาไปติดไว้ที่รถก็ปลาคนก็ปล า, าให้หนึ่งสั ป, ปดาห์ได้ผลไปที่หน้าพอใจปูรถคอยู้ดสองครั้งแต่ละครคนคนค น, คนบอกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรมองไม่เห็นรถของมั <c oughs> นเลยต่อยังไงจะต่อไม่เห็นรถ คุณยายว่ายันยังหายตัวได้ตองใส่คนที่ชนต้องใส่นี้นะขึ้น่าขึ้นมาโอ้ได้การแล้วทำไมทำไมดิต้องใช้หนี้มากมากนะมารวงนะวักเล่ขยันที่ไทยกตามซักไปเลยมองไม่เห็นก็กรื่งเรามอยู่มารอศัพ นู่้แก้ว้เกิดายันชุยัน่ยันก็ยันประชาชนด้วยเออแต่มาายนี้เดียวแค่แค่ราแต่ว่าุับใช่ายตัวได้ายตัวได้นะรถรถรถจัรยคงมองไม่เห็นไม่เห็นเลยคนต้ององตาต้องมองให้้องสองเอออาจารย์นยันมานะใช่ดีนะ อะไยังไงยังไงจะามาซอยสายลมนะก่อนที่จะเข้าซอย้องรู้อรถวงพ่อยรู้เป่นะเขพยนออี่นี่หน้าเรารถตารวจก็แวกน้ที่หลวงพ่อนะรถตู้แผ่นรถตู้ คุยกีมาแล้วนานๆด้วยดีเลพก็โสดาบันจิตเมอง่อด่า่ก็โสดาบันนะไม่เล่ารงีลกวัี้่ใจง่งใช่โสดาบันจิตซ้อมหมอีเลยอีจะไปผ่านลูก้ใช่่รับครัพระัโสดานเจริญเนี่ยปรอเียนการศึาไปันแหล ลบปา่าค้าหลวกพ่อที่เคารพจำงสู ง, งอนีี้ยู่กมหาเมฆนะที่หลังเขียนตัวให้เล็กไปนีดหน่อยได้ไหมครันะ <c oughs> บถ้าหลางพ่อเจอป่าลูกคนเดิมทิ่มหาหลวงอหลวงข้อคณจะจำได้ก็กาามาครั้งเพียงไม่กี่ครัง้ง บาทุกคั้จไม่ได้เพราะการมาทุกเดือยังจาไม่ได้ยนะเอยลูกอยมาแน่นอนจะไเดือก็มีวนี้คราวนั้นลุงพ่อคงจะจำได้คลุกถามเรื่องไฟไหม้ลูกอยู่ในที่ชุมจรแล้วก็ลงพ่อเลยแนะนาไปว่าเออลูกเอ้ยเอาอย่างนี้สิให้ลูกไปอะไรสร้างพระหน้าตาก้านี้ แล้วใครเทียนสามเล่มให้นําไปบูชาเอาพระนั้นถวายวไปเอาทรายเศษของพ่อไฟเตะแ ล, ะวล้วก็เรียรอดปลอดภัยคนละกอดหนึ่งไมตาัดร่างที่หนึ่งไฟไหม้ถึงทุนทั้งหมดเว้นบ้านลูกบ้านเดียวร่างที่สองไหม้ทีเว้นบ้านลูกบ้านเดียวร่างที่สามไหม้อีก Nee dag. เว้นบ้างลูกบ้างไม่ารอใลูกว่ามันจะเผาเป็นทางที่สี่งใช้เียนสีเล่นนะแต่ลูกตาอนหเลยว่าเียนสมเล่นกรอนแต่ให้ลูกไงเียการที่ยังจุดสิบเล่นเลยติักเลยเหรอ่ กีนสามเล่นมุกรอดได้ได้สามสามถ้าบอบต ร, รงยังไงต้องอก็ด้านนั้นนะคอยู่ได้ตลอดใช่ใย่ยังยงยงรบอยู่นะถ้ามีความมั่นใจก็ปลอดไปอย่างนี้ตลอดไปโอ้ฝามมกฝากมฆนาด้ยนะที่คนที่มีกาลังใจแข็งแก็่งแหมคนอื่นไหเล็กและที่สาที่ก็เจอที่มรรคสันนะ ไของ้าเจ้าไปแล้วมีงนป้าเจ้าแล้ววันเทาจะทําบินทั้ของทั้งที่เขายืมมาทะ้หาไม่เรียบนี่สตอนชาตอนยืแล้ถ่ายยาวัเช้ากไม่เอแน้ำกอฝากของที่ยืไปก็หายด้วยไม่ด้วยเลือไมเหโค้ดืมไดลโอเคน้ำก็ใส่ใจ้ต้อไป อาการข้าวนมาัฒกาหลวงพ่อติกรงอย่งสูงเรื่องงขารูกเบขายามที่หลวข้อแนะนำให้วางเฉยนั้นลูกได้ไปทดลองทำแล้วก็ลาบว่าสบายใจดีใครว่าอะไรเฉยๆใครด่าเฉยๆไม่เป็นอย่างแนข้อสองสัมวันมานี้มันชักจะไม่ดีเลยแล้วลูกมีสายตื่นมารายงานว่า ขาีของลูแอบไปหาเศษขาเลยนอกบ้านตอนนี้เองสังขารลุกไม่เต็มแต่เงี้ยวไปด้วยตัขาเ้าตียวอไนม่ไดทนี่ก็ไม่เขาแล้วจะโผขาเลยกายกายแอบขาไปี่นาานี่คือว่า อยากจะมาขึ้นบามลวงพอว่าไอที่แล้วนะพอการได้แต่ว่าไอไปเจอปัญหาี้แกไม่ตกหลวงมีหลวงพมีเบหาที่แข็งแกร่งคนนี้มีมีมีช่างมันช่างมันช่างมันว่าชาวดีไว้นะว่าไว้ช่างมันช่างมันไอข่ามมาให้เขามาเล่ามันละลายอล้วไอเกิดเป็นตั้งตําตาหรือทางอะไรช่างเถือนช่างเถือน เดี๋ยวไหนโอ้สถัลนมันไม่ไหวนะครันเกิอนี่จะบอกว่าชาติรงนั้นช่างเกิดช่างเกิดชางเกิดครันแนั้นราสบายใจได้แล้วนะลูกหลวงพ่อไม่มีปัญหาอะไรต่อไปแรกนี่เอาหนักนะลวงพ่อจ้าขาลูกฟังเรื่องผุ้ตรงที่สามข้อที่ะสมปฏิบัตินะ อยากจะขอพลังงาลวงก็ว่าในทุกสามก็ย่อให้สั้นๆเพื่อให้ชาวานส่วนชนจะเอาไปปฏิบัติกำจัดวิเศษหก็งพ่อใจก็่อจะแนะพอจะนาบ้างไหมขอได้โปรดแวะตาโดยสักพัย่อไม่ได้ย่อไม่ได้เลยยาวก็ไม่ได้ยาวก็ไม่ได้ได้แค่นั้นแหละมีแค่ไหนก็ปฏิบัติแค่นั้นเอาเอางี้ดีอันดับแรกเอา เอกาจะเอกาจะทังคะกินข้าวเวลาเดียวใช่ได้ใช่ได้เลยเอาข้าวเดียวก็พอใช่ข้าวเดียวก็พอกินข้ามือเดียวได้ใช่ใช่ไป้แน่นอนไปมือเดียวไม่ได้ก็ใช่มือเดียวจะต่างไปหลายมือชุดต่างไปหลายครั้อจริงทุกอย่างเป็นรูดงหมดนะ ไอ้คำว่าทุดดงเนี่ยนะมันแปลว่าไงเขาช่างติเขาเขาถืออาจิตเป็นกุศลเนี่ยที่มันนั่งอยู่เงี่ยเป็นทุดดง n g ที่เป็น dong ไมชเหรอนใช่ในสติไม่ใช่ทุบานนะเนี่ยทุตดง n g dong คนในสติไงล้วในก็นั่งเนี่ยถือไปในสชิได้ในสชิที่ว่าไม่เอ็งกายนะแม่แ ม, ม่หลังถึงพื้น อาว่ามวยมือย oh ันถือเป็นชั้นกรชั้นอย่างกลางถ้าไม่ใช่มือยันถึงช้อุปกรณนี่ตู้ตรงนีแล้วท่านน่แล้วไม่รู้ใช่นี้ก็แสดงว่าได้เขไม่รู้ไ่รู้ใช่ใช่ใช่ใช่ดรู้้ไม่เปนอะไรนะใี้เราลุ่มยอ่อ่อ่าข้พอดีนะ ฮัลโหลเจ้าเอ๋